อขอโมทนากับพวกเราเนตั้งใจในการที่จะศึกษาคำสอนของพระผู้มีปภากเจ้ากันทีนี้ที่เราศึกษาคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดา น, นี่ก็เพราะว่าเราปรารถนาก็คือมีความเชื่อมั่ น, นในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองในชั้นของคำสอนถ้าเราดูจาก หลักการคําสอนที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวินัยปิดกพระสุตตันตปีดกและพระพิธรรมปีดกเนี่ยไม่ว่าจะในด้านของเทศนาในด้านของศาสนาคือวิธีการสอนในด้านกาถาคือถ้อยคําในด้านศึกขาสารคือการศึกษาปฏิบัติและในด้านการประหานะคือการละกิเล พระวินัยยปิดกพระสุตตานตปิดอกภาพิธรรมปิดกนั้นจะมีความสอดคล้องกันทั้งหมดเลยก็คือเม็ดหลักของการปฏิบัติน่นเองนะถ้าเรามองในด้านของเทศนาคือสาระคำสอนเนี่ยนะพระวินัยยปิดอกท่านเรียกว่าอาณาเทศนาใช่เพราะพระบรมศาสดาผู้ควรแก่อาณาและแสดงธรรมตั้งเป็นหัวข้อปฏิบัติในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษจีสงฆ์ รวมมาถึงสัมมนเนนเป็นต้นเป็นส่วนใหญ่ใช่ั้ยพระสุทตานตพิดกท่านเรียกว่าโวหารเทศนาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าฉลาดในโวหารทรงไว้ซึ่งความเป็นผู้มากในโวหารฉะนั้นเนื้อหาสาระที่พระองค์ทรงสแสดงจึงเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นส่วนมากพระพิธามปิดกท่านเรียกว่าปรมาตเทศนา เพราะภระบรมศาสดาเป็นผู้ฉลาดในปรมาถ ธ, ธรรมทรงแสดงด้วยความเป็นปีดกที่มากในปรมาตคือสภาวะของจิตเจตสิกรูปแล้วก็พระนิพพานอันนั้นในด้านของสาระคำสอนถ้าในด้านศาสนะคือวิธีการสอนพระศาสดาสอนอยังไงบอกว่าในด้านพระวินัยปีดกเนี่ยพระบรมศาสดาท่านคำสอนนันเรียกว่ายะถาปราธศาสน พระพระบรมศาสดาเนี่ยทรงสั่งสอนเหล่าสัตว์ผู้มีความผิดมากแล้วก็มีความผิดน้อยตามสมควรแก่ความผิดนั้นๆพระสุตันตปิฎกท่านเรียกว่ายาถานุโรมัสาสนะเพราะพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสอนเหล่าสัตว์เนี่ยพระศาสดานั้นมีอัธยาศัยไหมรู้ไหมทรงทราบอัธยาศัย พระพุทธเจ้าสอนเหล่าสัตว์ผู้มีอัธยาศัยอนุสัยเจริญอธิมุตแตกต่างกันตามสมควรแก่บุคคลนั้นๆ น, น, นั่นคือพระธรรมเทศนาของพระศ า, ศาสดานั้นจึงเหมาะแก่บุคคลแต่ละบุคคลแต่ละประเภทพระพิธรรมอิดอกท่านเรียกว่ายาถาธรมาาพาพธรมาศาสนาเพราะพระบรมาศามสด า, าสาั่งสอนเหล่าสัตว์ผู้มีความเห็นผิดในสภาวธรรมยังยงจะทําพระองค์ก็สอนเพื่อให้ความเห็นถูก ต้องตามความเป็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงนั้นนั้นอันนั้นคือพูดถึงในด้านของวิธีการสอนถ้าในด้านถ้อยคำหมือด้านคาถาพระวินัยยปิดกเรียกว่าสังวราสังวรสังวรคาถาเนี่ยหรือสังวราสังวรคาถาเนี่ยพระบรมศาสดาตรัสความสำรวมน้อยใหญ่เป็นถ้อยคำที่กล่าวถึงการสังวรและ การไม่สังวรสังวรการปิดกั้นบาปแบบนี้เปิดบาปนะแบบนี้ปิดบาปเนะีเป็นต้นเนีน่ที่จะเป็นไปทางกายทวารวจีทวารและมโนทวารเป็นต้นพระสุตตันตปิฎกท่านเรียกว่าทิฏฐิวินะวินิเวทะนะกากะถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเพื่อให้สัตว์นั้นคลายอะไรคลายมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป้าหมายคืออย่างเงี้ย คำสอนของพระศาสดาที่เน้นในพระสุตตานิพพิ d กเนี่ยเพื่อต้องการกระชากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยของเรล่าสัตว์นั้นออกจากใจให้กลับมาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาวธรรมก็ลองมาพิจารณาดูเราท่านทั้งหลายทีนี้ถามว่าและในข้อเท็จจริงเนี่ยเราเห็นถูกหรือเห็นผิดเราเป็นบัณฑิตหรือคนผานเอ้ยอย่าทะลุอย่างนี้จะได้ชัดเลยใช่ไหม ทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังที่ยังเป็นบุคุชนอยู่เนี่ยเ <c oughs> าเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นพานมากกว่าบัณฑิตไม่ใช่บัณฑิตมากกว่าพานฉะนั้นการที่เราเนี่ยคิดอย่างคนพานเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจึงมากไปด้วยความเห็นผิดใช่ไหมเนี่ยเราก็วิ่งท่องเที่ยวกันไปในสังสารวัตรก็เพราะไอ้นี้แหละมันฝังแน่นในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายมันเป็นแบบนี้ ทั้งๆ ท, ที่ศึกษาพระธรรมนี่แหละนี่แหละที่อามากรลังกล่าวอยู่นี่แหละไว้ใจได้ไหมเนี่ยเออไว้ใจไม่ได้แต่แต่ในขณะที่กล่าวเป็นไปกับพระธรรมก็ไว้ใจหน่อยใช่ไห ม, ไหมเพราะว่าเรื่องปุถุชนเป็นแบบนี้นะพระศาสดาบอกปุถุชนอุมาตะโกวิยาปุรุชนเป็นคนเป็นคนบ้า ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมิตินี้จริงๆเนี่ยถ้าคนบ้าจะตำหนิคนบ้าจะยกย่องคนดีใจใไหมแต่ถ้าบัณฑิตตำหนิและบัณฑิตตีเตียนเนี่ยอันนี้ต้องฝังแล้วต้องคิดแล้วใช่ไหมแล้วใครเหรบัณฑิตพระพุทธเจ้า <laughs> พระพุทธเจ้าใช่ไหมเอออยู่ตรงเนี้ย เขาบอกพเดเจ้าก็อโอ้โหแข่ไกลเลยอยู่รู้สึกว่าห่างจากเราเหลือเกินเลยนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นทั้งบอกว่าพระสุตันตปิฎกเนี่ยท่านเรียกว่าทิฏฐิวินิเวทนากาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนเพื่อให้สัตว์ขี้คลายมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด ก็จะกลับข้อหาความเห็นถูกนั่นแหละอภิธรรมีโดกท่านเรียกว่านามารูป่าปริเฉทนาคถาอือปริเฉทกากถาปริเฉทากถ า, กรากพระผู้มีภาคเจ้าตรัสสอนให้กําหนดให้ใครควรให้พิจารณารูปนามขันห้าเนี่ยนะให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของสภาวธรรมก็คือขันห้าเป็นต้นขนัยนยถาณะธาตุสั จ, จในด้านศิกขาคือการศึกษาปฏิบัติศึกษากับปฏิบัติอันเดียวกันไหม นายด็อกเตอร์ระดาเดียวกันมไหมศึกษากับปฏิบัติเนี่ยเดียวกันไหมอันเดียวกันนะใช่ไหมพระวินัยปิฎกท่านเรียกว่าที่ศีลสิกขาเพราะพระผู้อภิภกดิเจ้าทรงสั่งสอนข้อปฏิบัติให้อะไรเพื่อจะ พ, อพ่อคูณให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่กระจัดกระจายด้วยอำนาจถึงความทุศีลเป็นต้น พระสุตตันตปิฎกท่านเรียกว่าอธิจิตาสิกขาเพราะพระพุทธวิภาคเจ้าทรงตรัสสอนให้ตั้งจิตอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยการสังวรเพื่อไม่ให้จิตฟุง้งซ่านหรือจิตนั้นน่ะเข้าถูกนิวรธรรมคือการมฉันทาเป็นต้นนั้นปกครองและครอบงำพระพิ毗昙ปิฎกท่านเรียกว่าอาทิปัญญาสิกขาเพราะพระผู้มีพระเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความเห็นแจ้ง เพื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้เพื่อละทำที่ควรละเพื่อทำให้แจ้งทำที่ควรไม่แจ้งเพื่อเจริญทำที่ควรให้เจริญนะด้านประหารแหละวินัยยาพีดอกน้ประหารอะไรดีเนี่ยเป็นวีติกรรมะประหารเนี่ยพระบรมศาสดาก็สั่งสอนเพื่อให้เป็นเครื่องละกิเลส อ, อย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ร่วงละเมิดทางกายและทางวาจา เห็นไม่วินัยปิดกเป็นแท้ที่จริงพระวินัยปิดอกเนี่ยโดยสาระสําคัญก็เพื่อจะละกิเลสไหมเออเพื่อจะละกิเลสอย่างหยาบนี่มาสรุปประเด็นแห่งการละและ้นี่มันจะชัดลงอย่างเนี้ยเป้าหมายที่เรียนวินัยกันเนี่ยเรียนศีลเนี่ยก็มาดูตรงไหนอะ่ะดูว่าละกิเลสอย่างหยาบได้หรื อ, อยังที่เป็นวีติกมาม ก, กิเลสเนี่ยกิเลสที่มันเป็นเหตุให้กายและวาจาเนี่ยมันพุกพ่านออกมาเนี่ย มันรู้สึกกระโครนไปด้วยใช่ไหมเกลื่อนกลนก็จัดกระจายอยู่เนี่ยตรวจสอบตรงเนี้ยว่าตอนนี้เราศึกษาว่าทําคําสอนคำว่าศาสตาเนี่ยตอนนี้ผลมันออกมาหรือยังเนี่ยวัดตรงนี้วัดตรงที่กายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันกระจัดกระจายมันเกลื่อนกลนด้วยความเป็นผู้ทุศีลไหมด้วยความซ่านออกไปจากทางกายกรรมวจีกรรมไหมแล้วมนโนกรรมนั่นแหละศีลมันเกิดที่มนโนกรรมนั่นแหละแล้วจัดแจงควบคุมกายกรรมวจีกรรมได้ดีไหมอันนี้แปลว่า สิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยชัดแล้วใช่ไหมมันออกมาเป็นผลให้เห็นชัดเจนแล้วว่าข้อปฏิบัติมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันละกิเลสได้จริงๆก็ลองไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันยังมีใครมาแย่อะไรนิดหน่อยมันยังลุกเป็นไฟอยู่ไหมอะไรเงี้สังเกต ด, ดูเนยสังเกตง่ายไหมอ่ะสังเกตง่ายไหม ว่าทางกายกรรมวจีกรรมตอนนี้มันเป็นยังไงฟังมาปีกว่าแล้วว่างเมื่อกี้ดูเอกสารที่สรุปมาเนี่ยปีกว่าแล้วเนี่ยว่าไงต้องเดาเลยเอากายกรรมวจีกรรมก่อนวีติกรรมะป่าหานวินัยบิดกเนี่ยออกมาทํางานในใจเราบ้างไหมทํามากขึ้นไหมรู้สึกการละเมิอดออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยรู้สึก สงบระงับลงมากเลยอะฟังแล้วน่าช oh ื่นใจนี่แม่ก็วัดตรงนี้ข้อปฏิบัติเขาวัดกันตรงนี้แหละเพราะเมื่อกี้ปฏิบัติใช่อธทิศีลสิกขาจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยก็ดูตรงที่กายกรรมวจิกรรมตั้งตั้งไว้ดีดีใช่ไมไม่กระจัดกระจายยังไม่แม่ซ่านไปเพราะบาปประธรรมทั้งหลายคือความทุศีล ถ้ามัาไม่ท่านไปด้วยความทุศีนก็แปลว่าวิจิกรรมปัญหานี้เกิดแล้วเปว็วรรณะได้จริงนะเนี่ยไม่เคยมีอาการพุกพันทางกายกรรมวจีกรรมเลยไม่เคยออกมาเลยอันนี้แสดงว่าวินยัยไปดกเกี่ยวกับศีนเนี่ยที่เราตั้งใจ พ, อพ่อคูและรักษาเนี่ยมันเริ่มทํางานจริงๆนะเนี่ยอย่างนี้ก็ชื่นใจใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าศีลทํางานแล้ว เออถ้าศีลทํางานใจเศร้าหมองไหม ใ, ใจไม่เศร้าหมองเขาเองนะนดานพระสุตาันตปีดอกเป็นยังไงท่านเรียกว่าปริยุทธานาประหารเพราะพระพูทธเจ้าเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อให้เป็นเครื่องละกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมนิวราณาธรรมการมาฉันทาเป็นยังไงตอนเนี้ไอ้ความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลิน มันเบาบางลงไหมความยึดติดเบาลงไหมถ้ามันไม่เบาบองบอกเลยว่าพระสุตันตปิฎกนั้นไม่ค่อยได้มาทำกิจในกระแสของชีวิตเราเลยอันนี้แปลว่ามันยังลอยๆอยู่ข้างนอกอยู่ไหมดูตรงเนี้ยดูที่พระสุตันตปิฎก ค, คือสมาธิศิกขาตอนเนี้ยออกมาทำงานเยอะมอากยอะดูตรงไหนดูกรามฉันทะ ดูความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินอ้าวดูพยาบาทดูความขัดเคืองดูความน้อยอกน้อยใจดูความกลุ่นในใจดูความเศร้าหมองแห่งจิตดูความปัสสาลแห่งจิตทั้งหลายเหล่านีด้ดูตองสภาวะจิตที่เกิดความเร่าร้อนมากขึ้น โดยสํานวนปากกล่าวว่าทําแต่ใจเศร้าหมองอ่ะอีติพีโสพระคาร์ว่าแต่ใจมันเศร้าอ่ะมันเข้าไม่ถึงอ่ะมันเข้าได้ทางกายทางวาจาอย่างเดียวแต่จิตใจมันไม่ไปเลยอ่ะเป็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าพระสุตันตปิฎกไม่ไหลลาดลดกระแสะใจนะอันนี้ตรวจสอบไงเราต้องการตรวจสอบใช่ไหมดีไหม ก็ตรวจสอบตรงนี้เราไปมัวตรวจสอบคนอื่นได้ไหมไม่ได้เล ย, เลยตรวจสอบตนเองอย่างเดียวเท่านั้นแหละจ้ไหมตรวจสอบคนอื่นเรามีตาคือยานปัญญาที่จะไปรู้กระแสจิตของคนอื่นไหมเนี่ยไ ม, ไม่รู้เลยแต่เรารู้นะว่าเราเนี่ยแค่ไหนอย่างไรเป็นนั่งคิดแป๊บเดียวก็รู้เจ้าไหมแป๊บเดียวก็รู้ว่าเออมันอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ฉะนั้นเป้าหมายแห่งการ ตรงนี้มันพูดถึงในเรื่องของความเจริญของศาสนาเนี่ยในโลกใบนี้นะในกระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจของเราท่านทั้งหลายนะดูที่ว่าพระศาสนามันเจริญขึ้นมันฟูขึ้นหรือมันแฟบลงหรือมันเสื่อมไปแล้วหรือมันเสื่อมไปแล้วถ้าพระเนี่ยเป็นอบัติประชิกเนี่ยแปลว่าพระตกจากศาสนาเลยนะทุสีนะถ้าโยมเนี่ยทำทุศีสีขาดเนี่ยแปลว่าตกแล้วนีต้องสมาทานใหม่เนี่ย แต่ยอมดีตรงที่สมาทานได้พระสมาทานไม่ได้ต้องศึกโดยสถานเดียวนี่พระเป็นแบบนี้ ถ, ถ้าขาดจะกความเป็นพระเนี่ยต้องศึกโดยสถานเดียวนี่ใช่ไหมแต่ถ้ายอมเนี่ยทุศีลไปแล้วเดี๋ยวก็รีบสมาทานมสมาทานใหม่แต่เพราะความสมาทานใหม่นี่หลยยอมเลยประมาทเลยเลื่อมากกว่าพระพระยิ่งระมัดระวังมากกว่าโยมอีกทีเนี้ใช่ไหมนี่คือความสังวรมากกว่ากัน มีความเป็นอุดมภเพศกับความเป็นฮีนาเพศมันต่างกันตรงนั้นแหละความระมัดระวังความสังวรของพระจึงต้องรัดกลุ่มมากกว่าโยมเยอะหลายร้อยหลายเท่าตัวั้นโยมไม่ต้องเป็นห่วงพระที่เขารู้พระธรรมวิไไนัยเท่าไหร่นะให้ห่วงตัวเองเยอะๆเ <c oughs> พราะพระก็ห่วงตัวเองมากกว่าห่วงโยมนะตอวนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะพระนี่จะห่วงตัวเองมากกว่าห่วงโยมเพราะเพราะว่าข้อวัดของท่านเนี่ยรัดกลุ่มมาก ท่านคิดทุกวันไหมทุกวันถามว่าถ้ายี่สบสามสิบปีแปลว่าท่านคิดทุกวันไหมทุกวันก็คิดโดยต้องดูปริมาณความคิดของท่านดินั่งวิจัยยืนวิจัยเดินวิจัยนอนวิจัยเป็นส่วนใหญ่สังวิจัยเรื่องเนี้ยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่วัาจะเกิดยังไงถ้าโยมก็คิดเรื่องกรรมมาคุณใช่ไหมพระก็คิดเรื่องออกอจากการมาคุณเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้นี่ถือข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นนะแต่หมายต้องวงเล็บด้วยนะ เอาเอารู้หรือไม่รู้เอาเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่คือความต่างเนี่นี่คือความต่างถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ไม่ต่างใช่ไหมหรือว่าอ่านไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่กรรมของใครใช่ไหมศึกษาพระธรรมแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ทํายังไงแล้วก็พออ่านแล้วแล้วจะทํายังไงล่ะแล้วก็เต็มที่แล้วใช่ไหมแต่ขอให้เข้าใจแต่สักวันหนึ่งเข้าใจไหมต้องเข้าใจอย่าท้อ เพราะการทอนั้นเป็นบ่อกเกิดในความวิบัตินะทอ้อไม่ได้เราโอกาสกว่าจะมีโอกาสมาเจอาศาสนาของพระชินเจ้านี่แหมหายากมากใช่ไหมหามาหามาทั้งโลกแตกไม่รู้กี่ใบกูจะได้เจอใช่ไหมเนี่ยมาเจอแล้วใช่เราจะปล่อยโอกาสนี้ทิ้งไปทำไมนี่ถือว่าโอกาสทองไว้เนี่ยอโอกาสทองแล้วฉะนั้นในกรณีแห่งคาว่า ปริยูฐานะปะหารเนี่ยพระสุตันตวิฎกจะต้องปะหารจะต้องปะหารกิเลสอย่างกลางอ่ะคือกรมฉันทะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินพยาบาทเนี่ยพยาบาทเนี่ยความความน้อยเนื้อต่ําใจก็เป็นพยาบาทนะเออเราอุตส่าห์ทาดีแทบตายทําไมมีคนตําหนิเราเหลือเกินเพราะไม่เข้าใจ เพราะไม่เข้าใจกระแสของชีวิตนะใช่ไหมเราต้องการเสียงสรรเสริญอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกและเราอย่าไปคาดหวังนะเราอย่าไปคาดหวังนะว่าวันนี้วันนี้วันนี้นี่ยเนี่ย น, นั่งนั่งคุยกันเนี่ยวันนี้กราบไหว้ไไกันเคารพกันอย่างอย่างดีมากนะเนี่ยไปวันพรุ่งนี้เกลียดกันทั้งเต็มทีก็เลยได้ไหมไถ้ี่ยนีบุรุชนเป็นแบบนี้ แต่คนที่เรารักเราจริงๆปรารถนาดีเราจริงเช่เราจริงคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมพระพาลยาสงฆ์หรือคนที่เข้าถึงคําสอนของภาษาสดานั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้ใจมันจะได้หลุดออกจากความไปตั้งความหวังไว้กับที่บุคคลเสียเราจะได้ตั้งมั่นไว้ที่พระรัตนตรยัยพอตั้งมั่นไว้ในพระรัตนตรยัยเรามีสราระมั่นคงไว้ตนนี้ เออมีศารณาที่มั่นคงแล้วฉนันพยาบาทเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้กำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอได้เหตุปัจจัยใหม่ก็ขัดเคืองเกียดชังปะทสล้ายตำหนิติชินดินทาว่ากันนี้นะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิจิกิจฉาเห็นไหมไอ้ตรงนี้เป็นอุปสรรคมากๆเลย ถ้าพระสุตันตไปดกพุทสมาธิศิกขาไม่แข็งแรงเนี่ยนะเดี๋ ย, ยวก็พกพานกันไปเลยเห็นไหมว่าจริงๆก็เป็นเงี้ยเพราะมันไปทําลายศรัทธาหมดเลยสงสยัยสงสัยมันสองอย่างใช่ไหมถ้าเป็นปฏิรูปประกาศเซะอรเตอร์ขอไฟถ้าหากว่าทวิจิจฉาปฏิรูปเสียเนี่ยสงสัยที่เป็นไปกับกุศลก็ได้กุศลก็ได้ที่ไม่เป็นนิวรณ์อันนั้นก็อย่างเช่นนี้หัวข้อธรรมะนี่ว่าไงนะ ท่านกล่าวอย่างนั้นจะหมายถึงอะไรนะอะไรเงี้ยเป็นคนละประเด็นแต่ไปสงสัยมันกําหนดไม่แน่ลงไปเช่นไปสงสัยนู่นกระทบพระรัตนตรัยก็ให้กระทบกรรมและผลของกรรมก็ให้กระทบอดีตอนาคตก็ะทปฏิจจสมุปบาทก็ให้เลยยุ่งแลยแต่เนี้ยอันนี้แปลว่าไม่เชื่อเหตุผลและล้ำดาัาเป็งเหตุผลที่เกิดขึ้นคือไม่เชื่อปัจจุบันเหตุไม่เชื่ออนาคตผลนี่มันจบเลยนะ ถ้าไม่เชื่อกรรมไม่เข้าใจกรรมไม่ใช่เข้าใจผลของกรรมแต่เข้าวิจิกิจฉาก็ยังลังเลอยู่เนี่ยเลยอะตอนนี้เรามีวิจิกิจฉาไหมเนี่ยเนี่ยถ้าคนไม่มีวิจิกิจฉาจะจะจะไม่เป็นแบบนี้นี่อย่าลืมนะเราเนี่ยวิจิกิจฉาเยอะโอวิจิกิจฉาเป็นโมหะไหมเออเนี่ยเป็นโมหะดวงแรกด้วยไอ้ดวงนี้แหละมันมียังไงถ้าเรากระชากไอ้ตัววิจิกิจฉาออกได้เมื่อไหร่นะ โอ้ยไม่เหลียวหลังแล้วไม่จรย้อนกับหลังแล้วไม่จรย้อนกับหลังแล้วแต่ม่ใช่วิ่งผิดนะวิ่งถูกเลยนะวิจิจารหลุดจากใจเนี่ยดูพดระรยาบุคคลทั้งหลายแม่ท่านไม่ต้องเชื่อใครนะคําว่าไม่เชื่อใครนะแปลว่าคนอื่นนะท่านเชื่อพระรัตนตรัยแล้วท่านไม่ต้องเชื่อใครแล้วท่านเชื่อพระรัตนตรัยแล้วเดี๋ยวจะดึงสูตรมาให้ดูว่าถ้าเวลาท่านเชื่อจริงๆจะเชื่ อ, อยังไงนะ เราจะได้เห็นนะแล้วก็อุทธจักอุทธจักคือความฟุ้งซ่านแล้วก็โ ม, ม, ม, มหะลักษณะอย่างนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของนิวรธรรมทั้งหลายกาลมาชันทะปยาบาดทีนมิท้อุทธักรกุกุจาวิจิกิชาส่วนพระวิธรรมเบดอกเป็นอนุสยประหารเพราะพระพุทธเจ้าสั่งสอนเพื่อให้เป็นรายละเอียดนะเพื่อให้เครื่องละกิเลสอย่างละเอียด ที่เหมือนกันนอนเนื่องอยู่ในขันทศ น, นันน์ก็อนุสัยกิเลสการราคาอนุสัยเป็นต้นเหล่าเนี้นั้นแหละคือพระวินัยยาปิดกพระสุตตานต์ยาปิดอกพระพิธามปิดกเนาะทีนี้ในชั้นของคําสอนถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระบรมศาสดาเนี่ยที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้ฟุ้งไปแล้วทรงเป็นดวงอาทิตย์ดวงเดียวในพุทธเขตทั้งสาม พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงทราบโลกนี้และโลกอื่นย่อมทราบสิ่งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาย่อมทราบสิ่งที่มีอยู่ในสันดานของพระองค์และที่มีอยู่ในสันดานของสัตว์อื่นที่ล่วงไปแล้วที่ยังไม่มาถึงอันมีอยู่ในบัดนี้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันพระบรมศาสดารู้หมดไหมทีนี้ในรูปประโยคในคําสอนตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ฟุ้งไปเนี่ย ทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตทั้งสพระพุทภาคเจ้าเนี่ยย่อมเป็นย่อมทราบโลกนี้โลกอื่นซึ่งกายที่มีเจตนาและกายที่ไม่มีเจตนานะคำว่าติพุทธเทติพุทธเขตเตกอาทิวาการวะทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตสดวงอาทิตย์ในที่นั้นคือดวงสุรีดวงสุรีไม่มีสหายในพุทธเขตส มีคนเสมอท่านไห ม, ไ ม, มนะไม่มีเสมอแม้รูปประกายก็ไม่มีเสมอเลยนะไม่ต้องทํารากายและรูปประกายเนี่ยหาบุคคลเสมอพุทธเจ้าไม่ได้ในในพุทธเขตสามชาติเขตอนาเขตและวิสัยเขตนั่นก็เรียกพุทธเขตสามเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเนี่ยนะมงคลจักรวาลหนึ่งนี้เป็นเรือนประสูตร ตอนที่ตอนที่ประสูตรครั้งแรกอะมงคลจักราวาลจักราวาลทั้งหมดหมมงคลจักราวาลเนี่ยอันนี้เป็นเรือนประสูตรของท่านยิงย่งใหญอันนี้เนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยหนึ่งหมืนจักราวาลถัดจากนั้นไปเป็นชาติเขตในชาติของท่านคือหมื่นจักราวาลแล้วก็หนึ่งแสนจักราวาลเป็นอาณาเขต จักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้เป็นวิสัยเขตเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้จะว่างไงแบบนี้อัปปมามโนพุทธโธจริงๆนะอัปปนาโนพุทธโธเห็นเขา ถ้าเราดูดีเขาเรียกว่าพันนาพุทธเขตทั้งสามชาติเขตอาณาเขตวิสัยเขตถ้าชาติเขตเนี่ยท่านกําหนดเอาหมื่นจักรวาลอาณาเขตถ้าเอาแสนแสนโกดจักรวาลถ้าวิสัยเขตท่านหมายความว่าหาประมาณไม่ได้เนาะนั่นแหละนี่คือเขตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่เขตของท่านนะต้องยอมไหมแบบเนี้ต้องยอมจริงๆ ต้องยอมพระพุทธเจานี่นี้คือเขตของท่านเราต้องยอมแล้วว่าเป็นเขตเป็นเขตของท่านจริงๆตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องพุทธเขตเนี่ยใครกล่าวบอกว่าชาติเขตนั้นน่ะถามว่าในเรื่องพุทธเขตเนี่ยใครเป็นผู้กล่าวใครเป็นผู้กล่าวชาติเขตมีประมาณเท่านี้ตอบว่าท่านพูดอะไรในโลกพร้อมทั้งเทวโลก เวนพระพุทธเจ้าอรหันตแต่สามมาสมพระเจ้าใครอื่นจะสามารถกล่าวได้ใคระจะกล่าวได้ถามว่าพระบรมศาสดากล่าวไว้ณที่ไหนตอบว่าในแสดงไว้ในอรุณวตีสูตรในอรุณวตีสีสูตรเนี่ยมีเรื่องแสดงอย่างไรพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงเรื่องของสัพพัยุติยานเนาะตรงนี้ ตรงนี้ในรายละเอียดตรงนี้จะได้รู้จักว่าเออดรรดารู้ไหมว่าในวันที่พระบระมศาสดาประสูต์เนี่ยนะในวันที่พระบรมศาสดาทรงประสูติเนี่ ย, ว, าายวันนั้นนะนะเออพระองค์ก็พิจารณาใช่ไหมพิจารณาเป็นไปตามลำดับตอนที่พระองค์จะถือปฏิสนธิพระองค์พิจารณาพิจารณาการไหม พิจารณาการพิจารณาประทศการแห่งแห่งทวีประเทศนะตะกูลเอยมารดากําหนดอายุเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมพระบรมศาสดาก็ตรวจดูเห็นมัชชิมะประเทศเป็นต้นเป็นไปตามลําดับใช่ไหมเหตุผลก็คือว่าพระบรมศาสดาก็พิจารณาการประโสนิบอกว่า ตอนนั้นเทวดาเขาไปรัตนาบอกว่าข้าแต่พระมหาวีระบัดนี้ถึงเวลาสมควรแก่พระองค์แล้วขอเชิญพระองค์เสด็จอุบัตในพักคันของมารดาตัสรุอมตบทช่วยสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเถิดขณะเมื่อจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พักคันแผ่นดินทั้งหมื่นโลกาธาตุไหวไหมเนี่ยไหวอย่างี้ไหวอย่างนี้ ตรงนี้ตรงนี้คือคือถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นนะว่าในครั้งนั้นนะนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นอะไรจะเห็นว่าในครั้งนั้นเทวดานะคาครุฑอสูรยักษ์ในหมื่นโลกธาตุต่างมีมงคลอันดีพากันมาจากทิศ ต, ต่างๆสู่มงคลจักรวาลเพื่อความเป็นมงคล ทำไมต้องมาคอยต้อนรับทั้งหมื่นจักรวาลแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่จะมาเกิดไหมหมื <sh arp beş foi> <sh> ่นจักรวาลมาแล้วมาคอยต้อนรับตอนนั <track> ้นไม่รู้มีพวกเราหรือเปล่าเนี่ยมาคอยต้อนรับพระเจ้าเนี่ยหนมหมู่เทวดาในอากาศก็พากันกลางกั้นฉัดมีซี่เป็นวงหลายพันจําจามอนมีคันทองคำโบกไปมาเนะยเสียงกรองก็บรรลือเป็นต้นพระมหาบุรุษมีพระวรกายที่ไร้มวลทินนะ ไม่มีมวทินแมสแต่เล็กน้อยเปล่งปงังดุจอาทิตย์สุกสว่างในขณะ น, น, นั้นนะนะประทับยืนเหยียดพระบาททั้งคู่ดุจพระธรรมะกะถึกก้าวลงจากธรรมาะมีใครซืใครประสูดจากคานบรรดาแล้วยิ่งใหญ่ขนาดนั้นออกมาแบบนี้โยมไออย่างเรานี่จะออกมาเนี่โหทุลักทุเลดึงกันแล้วเดือกันอีกยังมาเอันนี้เอามาดูตัวเองเนี่ยเป็นคนกระจอกจริงๆนะคลอดออกมาเอามาอยู่กับกระด้องอะ่ะ กระด้งเก่าๆแม่ทอดออกมาแล้วก็ไม่ได้ทอดโรงพยาบาลของเขานะมาเนี่ยควนอสุรกรรมเยอะคลอดออกมาอยู่กับกระด้งเก่าๆไอ้ผ้าฟูก็เกา่าๆแค่นะ้ทำไมก่อนก็ลงลงในกระด้งไม่เห็นมีใครมารับเอามาเลยมีหมอตำแยคนบีบแล้วบีบๆนั่นน่ะนี่คนอยู่ ในกรุงเทพในอะไรยังคลอดโรงพยาบาลหน่อยใช่ไหมเอามาเนี่ยนั่นแหละธรรมชาติเลยตามยอมแม่อคลอดยากเงกี้ยมาเอามากระนี้โอ้โหมีบุญมากเอามาอยู่ในท้องสิบเดือนเหมือนพุทธเจ้าเลยเอามาเน่ยงั้นเนี่ยที่ ไ, ไหนได้คลอดยากคือลาําบากนั่นคือลําบากนั่นเองไม่ใช่คนมีบุญอะไรเลยคนมีบาปเยอะ มูพรมลองคิดดูนะว่าพรมพรมจากชั้นสุดท้าวาดที่สิ้นอาสวะ น, นี่นคือใครเอ่ะทําไมพระพระละหันเนพาการเข้าไปหาพาาระมหาปุรดด้วยตะข่ายทองคําเอาเฮ้ยเนี่ยทําไมปุรุชนแท้แท้เนี่ยเรคิดไหมว่าทําไมว่าพรมที่เป็นพระลรหันเนี่ยชั้นสุดท้าวาดเนี่ยถือตะข่ายทองคํารองรับเรื่องเนื้อแกเนี่ยนี่คือใครเนี่ย เห็นไหมเนี่ยนี maravil, 對對 have, mm ่แปลว่าเขาเห็นอะไรเนี่ยคนเนี่ยคอยตั้งศรัทธาไว้ในพระโพธิสัตว์ก็บรรลุก็พ้นทุกข์ได้จะป่วยกล่าวไปยายก็ตั้งศรัทธาไว้ในพระเจ้าแล้วนี่จะได้เข้าใจตรงเนี้ยปกติเนี่ยพระอรหันต์แต่คนที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายจะมารับใช้คารวะที่มีกิเลสได้ยังไงไม่ได้อันนี้คือใครเนี่ยนี่เขาเรียกผู้ยิ่งใหญ่มาจริงๆ วัวที่ท่านจะมาเกิดตรงเนี้ยท่านกำหนดแผนที่ไว้หมดไหมว่าจะมาเกิดตรงไหนเนี่ย ต, ต้องทำกรรมมาไหมนั้นกรรมที่ท่านทำมาเนี่ยเป็นเหตุทำให้ได้มาเกิดหนะ้าที่ตรงนี้นีท่านไม่ใช่เพิ่งคิดไงผ่านพุทธเจ้ามานับไม่ได้มากกว่าเมล็ดทรายนะเนาะท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราท่านทั้งหลายคิดเลย นะต้องไม่กล้าอาจเอื้อมพระองค์จริงๆนะต้องคิดด้วยศรัทธาเท่านั้นนะนะต้องคิดด้วยศรัทธาจริงๆเพราะขอให้รู้จากพระพุทธเจ้าสักนิดเถอะแล้วก็จะพูดเหมืนอนาอมาพูดนี่แหลนะถ้ารู้นะถ้ารู้จริงๆนะรู้สักนิดนะไม่ต้องรู้เยอะหรอกอมาน์เนรู้นิดรู้นิดเดียวไม่ เ, เยอะเลยนะถ้ารู้แล้วจะรู้ว่านี่พระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้จริงๆ ไม่ใช่บุคคลธรรมดาอย่างที่เราคิดไม่ใช่ธรรมดาน่าดูแต่ละตดดูแต่ละช็อตดูแต่ละประโยคประโยคที่ท่านเสด็จมาท่านแผนการเสด็จมาอันนี้ยังยังไม่บรรลุนะอันนี้แค่มาเหยียบพื้นแผ่นดินนะเนี่ยพรมสิ้นอาสวะจากสุดทาวาสือขายทองคำ จากนั้นเทวดาทั้งหลายพากันรับด้วยแผ่นหนังกว้างดำเขาถือเป็นมงคลมากจากนั้นหมู่มนุษย์พากันรับด้วยผ้าทุกกูละก็ไปดูในพุทธวงค์จะเห็นเนจากมือของมนุษย์เหล่านั้นแล้วป่ามาสุดประทับยืนเหนือแผ่นดินอันเบอร์เซิรดเหลียวดูรอบทั่วทุกทิศ ท, ทวยเทพหมู่พรมพากันกล่าวว่า บุคคลผู้เสมอกับท่านที่ยิ่งกว่าท่านย่อมไม่มีในโลกไหนๆก็เนี่ยพระหลหันมาสารเสริญเลยบอกว่าไม่มีใครเสมอท่านอีกแล้วนี่นนี่ยังไม่ได้บรรลุเลยนะพระหลัหันเนี่ยนะมาจากสุทาวาสมายืนยันว่าไม่มีเลยประกาศยืนยันเลยหาใครเสมอท่านไม่ได้จริงๆ จ, จะเสมอด้วยอะไรศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุติญาณทัศนคุณ พระคุณทั้งหลายบรารมีทั้งหลายต่างๆหาใครเสมอท่านไม่มีในโลกไหนๆในยุคนี้นะในยุคของท่านนี้นะยกเว้นพระเจ้าในอดีตยกเว้นพระเจ้าที่จะมาในอนาคตไม่มีใครเสมอเอาบุคคลทั้งหมดในโลกนี้มาเทียบกับท่านหนึ่งเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้เนี่ยคือพระเจ้าเป็นแบบเนี้ทีนี้พระมหาบรุษเนี่ยผู้กล้าหานเสด็จตําเนินไปทางทิศเหนือเจดเก้า เจนะบรลือศรยอานาตอันเป็นสิ่งที่นําประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นบรลือในบรรลือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์เหล่านั้นนะต่อจากนั้นพระมารดาได้ทรงพาพระอรรถกับพระราชวังเป็นต้นทีนี้ถ้าเรามองตรงนี้นะคําบอกว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายก็ปรึกษากันบอกว่า พวกเราจะทำมงคลแก่พระหมหาบรุษที่ประสูติแล้วเนี่ยจึงพากันมาเต็มมงคลจักรวาล น, นี้ในชมพูทนเทวีเลยนะต่างถือพันธะมงคลต่างๆขับร้องอะไรต่างๆสารพัดนีที่มาบูชา พ, พระาศาสดาเทวดาในสุดทธาวาดาดังกล่าวแล้วก็ลองรับพระหมหาบรุษด้วยตาขายทองคำเป็นต้น ในขณะนั้นเท้ามหาพรมก็กั้นเวยฉัตเสเวะฉัดที่เท้ามหาพรมกั้นเนี่ยนะมหาพรมเนี่ยในจักรวาลที่เหลือทั้งหมดเนี่ยในจักรวาลนี้ท้ามหาพรหใช้เสวยฉัดเนี่ยสโยชนกั้นมีมวลทนเนี่ยสโยชนแล้วก็กั้นต่อกันไปหมดเลยวันนั้นในวันที่พระศาสดาประสูตรเนี่ยในหมื่นจักรวาลเนี่ยท้ามหาพรหมก็กั้นเสวยฉัตเน่ยสูงประมาณสโยชนกั้นติดกันเลยเต็มห้องจักรวาลเนี่ยนะ นนเนมื่นจั ก, กรวาลอยู่วันนั้นนะ่ะวันที่พระศา ส, สดาสเสด็จเสด็จเนะ่ยตอนนั้นประสูตรนะเนี่ยเสด็จรองออกจากครรนเนี่ยนะถามว่าถ้ากล่าวอย่างนี้คนในยุคนี้เขาจะเขาเาจะฟังรู้เขาจะเชื่อไหมเนี่ยเขาหักหักมุมเลยใช่ไหมเขาไม่เป็นไปไม่ได้เข า, าตาเห็นเขาเป็นทีนี้ พระโพธิสัตว์ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอหรือยิ่งกว่าพระองค์ในสมาคมนั้นเลยมองเนี่ยไม่เห็นใครเสมอท่านเลยพระหลหันอยู่ต่อหน้าเต็มไปหมดแต่ท่านบอกว่าไม่เสมอท่านเลยนีย่ทำไมท่านมองอย่างนั้นล่ะนี่คือเต็มไหมบา ร, รมีเต็มแล้วเต็มแล้วเพราะท่านมองพระหลหันก็บา ร, รมีไม่เท่าท่านเน่เมื่อจะประกาศให้ได้ยินเสียงพร้อมท่านบอกว่าวันนั้นนะ ถ้าหมาหาบรุษเนี่ยนะตอนประสูติวันแรกเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อจะทรงประกาศให้ได้ยินเสียงของพระองค์พร้อมทั่วกันหมื่นจักรวาล น, นะท่านก็บรื้อสียนาาเลยท่านก็เปล่งพระสุรเสียงออกมาตอนนั้นว่าอักโคหามัสมิโลกัสะท่านก็บอกเราคือผู้เลิศในโลกคำคำนี้ ไม่ใช่ดังเฉพาะชมพูระวีปนะหมื่นจักรวาลได้ยินหมดเลยคำคำนี้อัคโคอมมัสมีโลกสะเราคือผู้เลิศของโลกเชธโถะอมัสมีโลกสะเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเสโอะอมัสมีโลกสะเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย นัตถทานิปุนพโวบัตินี้พบใหม่ไม่มีอีกถามว่าใครใครชื่อว่าจะสามารถคัดค้านพระโพธิสัตว์ไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นนะเขาเบลือเบลือเบลือประคมดนตรีบูชาก่อนเนี่พอพระศาสดาเปล่งละชีเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ย อย่าลืมนะตอนนั้นนะ่ะบุคคลถ้าบุคคลอื่นมองเห็นเหมือนเด็กอายุสิบหนะีมันเหมือนกูมาอายุสิหนะแต่จริงๆพระองค์นะ่ะเป็นเด็กเล็กๆนะเนี่ยแต่สายตามคนอื่นมองอย่างนั้นอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยพ อ, พอพอประทับยืนพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเปล่ง พอพ อ, พอที่หยุดเพลงเนี่ยเสียงดนตรีเสียงประโคมเงียบกลิบทุกคนจ้องฟังว่าว่าพระมาหรุตจะพูดอะไรพอเงียบเปลงเสร็จแล้วท่านก็เปลงอโคมัสมิโลกาันี่หมื่นจักรวาลได้ยินนั่นแหละเทวดาและมนุษย์เนี่ยได้สาธุการเลยเพอฟังผมไม่มีใครค้านน่สาธุสาธุสาธุพร้อมกัน เพราะเหตุนั้นแหะท่านจึงใช้คําว่าคันตวานะอุตลังนตรงนี้ท่านประทับยืนบลือเสียนาฏได้ให้แน่พระอุระดื่มพระขีะ่ละชาวพระนครทั้งหลายต่างๆในส่วนจริงตรงนี้เหตุการณ์ดังนั้นก็ผ่านไปนั่นแหละนั่นแหละถึงบอกว่าคือพุทธิยถาเป็นแบบนี้ถ้าเราไปศึกษาในชั้นของคําสอนธรร ม, มาถามว่า ประเด็นต่างๆเหล่านี้พระไม่พอถึงในวันสังเกตนั้นจนถ้ารายละเอียดเดี๋ยวเราไปอินเดียเนี่ยเราไปตามสืบค้นรายละเอียดแล้วแล้วเราจะประทับใจว่าเออเป็นยังไงนะไปตามสืบค้นแต่ละที่แต่ละแห่งแล้วเราก็เอาลายละเอียดตรงนี้ไปสาธยายแล้วเราจะได้ทราบแล้วจะได้ฝังอินสัตธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาให้แนบแน่น เวลากลับมาในชีวิตของเรามันจะได้ตั้งมั่นดีไหมเออมันจะได้ตั้งมั่นในพระธรรมของพระศ า, าสดาว่าเออเรามีพระศ า, าสดาที่ยิ่งใหญ่เรามีพระศ า, าสดาที่ประเสริฐแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาในสุดท้ายายหลังใช่ไหมเราได้มีโอกาสนี่ศพศีรษะเราใต้พระบาทของพระศ า, าสดาได้ประกาศนับถือพระบรมศาสดาเนี่ยเนี่ยมีอยู่คํานะตอนที่เข้าเวลา เวลาที่เขาเขาศรัทธาพระศาสดากันเนี่นะพอเขาฟังทำไปเสร็จปุ๊บจิตเขาอ่อนแล้วเขาได้ตัดสรุูร้ตามหรือประกาศตนนับถือพระรัตนตรยนัยนจะมีคำว่าอัชชาตักเคนะใช่ไหมอัชชาตักเคปานุเปตังเป็นต้นเลยเนี่ยนะคำคนที่ประกาศเป็นอุบาอุบาสิกาอัชชาตักเเคก็แปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปาถามว่าอัชชะตังอัชชตังเนี่ยก็แปลว่าความเป็นไปในวันนี้นะความเป็นวันนี้อัชชาตักเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะบอกว่าแล้วข้าพเจ้าเนี่ยจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนตลอดชีวิตเนี่ยก็แปลว่าจนตลอดชีวิตเนี่ยนะจนตลอดชีพกุลรบุตรกุลธิดาเหล่านั้นนะ่ะเข้าพระไทยข้าพระองค์ว่าเป็น ขอให้พระบรมศาสดาเข้าพระไทยข้าพระองค์เนี่ยเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นกัปปิยาการกผู้ถึงพระรัตนาไตรด้วยไตราสรารณคมตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์ยังเป็นไปอยู่จักไม่นับถือศาสดาอื่นเพราะว่าแม้หากผู้ใดจะตัดศีรษะของพวกข้าพระองค์ด้วยดาบที่คมกลิบตัดเลยนะ ตัดศีรษะของข้าพระองค์ได้ดาบที่คมกริบพวกข้าพระองค์จะไม่กล่าวพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวพระธรรมว่าไม่ใช่พระธรรมจะไม่กล่าวพระสงฆ์ว่าไม่ใช่พระสงฆ์ข้าพระเจ้าจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้ามีพระธรรมนี้พระสงฆ์ถ้าใครมาบอกว่าอย่าพูดถึงพระพุทธเจ้าอย่าถึงพระุทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่านี้ไม่ใช่นะ แล้วก็จะกล่าวว่านี่พระพุทธเจ้านี่พระธรรมนี่พระสง์แปลว่าเสียดายชีวิตไหมไเขาไม่เสียดายชีวิตแล้วนี่ไงที่เขาฟังพระธรรมแล้วเขาสรุปประเด็นลงตรงนี้นี่แหละทีนี้ในรายละเอียดตามคําสอนสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ภูเขาคิดจกูดใกล้กรุงราชครื้ทจริงเนี่ยสูตรเนี่ย อามาก็เลยบอกว่าเออพระช่วยไปสแสดงเรีกขิจกรุนหน่อยพอดีเอามาไปไม่ทันแต่อามาจะกล่าวพอจใจขวาไม่ฟังนิดพอจะเป็นพอจะเป็นเครื่องเพราะบุคคลที่ไม่ได้ไปก็จะมีเยอะอยู่นะก็เลยฟังก็ดีถือว่าได้ไปดีไหมก็ <_ up> ถือว่าได้ไปเลย <_ up> ตอนนั้นพระบรมศาสดาประทับ like ที่กรุงราชเกึกเนียเขาคิดจะกรูดเนะขาคิา้จะโกรุนอยู่ข้างบนเนะย อยู่ข้างบนเขาเรียกว่าใกล้กรุงราชคลึกครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเทพมาคดรดลัฐนะี่สวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในราชในราชดอ น, นั้นก็คือเจ็ดหมูหม่บ้านเจ็ด0มื่หมู่บ้านก็คือมีราษฎรอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใหญ่มากเจ็ดหมหมู่บ้านเนี่ยนะเจ็ดหมหมู่บ้านเนี่ยอาศิตยาคามาสหัดเสสุนั่นแหละ เวลานั้นในกรุงจำปามีบุตรเศรษฐีชื่อว่าโสนโกริวิสะเป็นสุขุมาลาชาติท่านมีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าทั้งสองคือคนคนมีบุญน่เออในในชั้นของคำสอนเนี่ยนะพระเจ้าปกพระเจ้าแผ่นดินถ้าดูในชั้นของอัตถกถาเนี่ยนะราชสมบัติก็คือว่าความเป็นพระราชาและหน้าที่ของพระราชาที่เกิดทำ ที่พึงกระทํเขาเรียกพระราชกรณียกิจในพระบาลีว่าบุตรของเศรษฐีชื่อโกโซนาโกริวิสาเนี่ยโซนาเนี่ยเป็นชื่อของเศรษฐีบุตรก็บุตรของเศรษฐีโกริวิสาเนี่ยเป็นชื่อของโคตรหรือวงตระกูลของท่านส่วนในพระบาลีในพุทธพจน์ที่ท่านบอกว่ามีขนที่ฝ่าเท้าก็หมายความว่าที่ฝ่าเท้าท่านแดงทั้งสองข้างมีขนขึ้นแล้วก็ละเอียดอ่อนนุ่มนวลสีคล้ายกระดอกอันชันนะทำไมต้งเป็นอย่างนั้นเกิดจากกุศลกรรมอันแต่งอย่างงดงามและวิจิต ท่านหลายก็ลองคำคร้ำฝ่าเท้าด้วยเองดูทีท่านมีอะไรขึ้นๆมาบ้างไหหยาบด้วยนะอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยต้องทำบุญจนขนเท้าขึ้นเนี่ยไม่ลำบางกงันเนะทราบมาว่าชาติก่อนท่านโสนเศรษฐีเนี่ยเป็นหัวหน้าของบุตรเนี่ยนะในชาติก่อนเนี่ยนะของบุตรเนี่ยแปดหมื่นคนพร้อมใจการสร้างบรณารณศาลาที่อยู่ของพระเจ้าพระประเจกับพระ้า ท่านก็วางผ้าขาวเนี่ยนะเอผ้าปาวาและขนสัตว์ของเมืองปาวาก็าไว้อย่างดีของตนไว้เป็นผ้าเช็ดเท้าณสถานที่เหยียบของพระปเจกกับพระเจ้กกเจานะั่นแหละพอเห็นมันจะมีนะสมัยนี้ก็ก็นิยมนะเวลาบางคนเนี่ยพระเดินไปเอาผ้าให้เหยียบเลยอะไรเงี้ยนะนี่ท่านก็ทําอย่างนั้นแหละนี่พระประเจกกับพระเจ้าเขาโอ้โหกระทบกับคนสิ้นกิเลสเขา ท่านเหล่านั้นนะ่ะนะทั้งมวลก็ช่วยกันอุปถาวพระปเจเจพระเจ้าตลอดไตรมาส ก, กี่เดือนเนี่ย <ทะ S 1> เออสามเดือนกุศลสะสมพันธ์ในอดีตของท่านโสณนะเสรษฐบุตรเนี่ยในรากุรบุตรในหมู่บ้าน8ปดหมื่นคนเหล่านั้นน่ะนั่นะแหละท่านก็เลยมาเกิดอย่างเงี้ยในชั้นของดีกาท่านบอกการโสราชสมบัติเนี่ย น, นะในราษฎร8 0,000 ื่นหมู่บ้านนะั้นเป็นการกล่าวถึงเหตุข้อความที่กล่าวไว้ในคําสอนนั้นๆน่ะ น, นะตรงนี้ก็ คือผ้าปาวาลขนสัตว์กหมายถึงผ้าห่มที่ทําด้วยขนสัตว์นั่นแหละเป็นผ้ากําพลมีขนฟูทั้งสองด้านแล้วก็ก็เป็นผ้าห่มเป็นผ้าทอยอย่างนี้เป็นต้นในเวลาต่อมาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจอมมคตลัดก็มีกระแสรับสั่งให้กุ่มบุตรในหมู่บ้าน8ปดห0ื่นคนเหล่านั้นมาชุมนุมกันส่งโทูตไปพบกับโซณโกริวิษณ์โดยมีพระประสงค์ เหมือนกับพร ะ, ะราชนกหลังกิษบางจังว่าขอให้ท่านโศนามาเราต้องการให้ท่านโศนามาก็าเฝ้าด้วยสรุปตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอยากจะดูฝ่าเท้าเด็กมีบุญพระยาพิมสารเนี่ยต้องการแต่กนระบุตรในหมู่บ้าน 8, นั้นมีแปดหมื่นคนไอ้เคสังเกตคนสมัยก่อน บุรุษจะเกิดเยอะเนะีผู้ชาผู้หญิงจะจะเกิดน้อยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะคนทําผิดศีลข้อการมีไม่ก็ยเยอะไม่รายละเอ <c oughs> ียพูดพูดไปทีนี้เหมือนเหมือนมีพระรชาชกรณีบางบางการแต่พระองค์ก็มีพระราชการณีอย่างอื่นด้วยนะแต่ความประสงค์ก็คือว่าต้องการอยากจะดูท่านสนนะ พระราชาเมื่อจะรับสั่งให้กลระบุแปด0 0 0่นคนนั้นมาชุมนุมการก็รับสั่งให้มาชุมนุมด้วยอุบายอย่างนี้แหละในครั้งนั้นนะพ่อแม่มารดาบิดาของโซนกโกากอริวสาทราบว่าท่านโซนากอรวิวสาเนี่ยนะจะต้องไปเฝ้าพระเจ้าเป็นดินก็บอกลูกลักพระราชามีพระประสงค์จะทอดพระเนตรเห็นเท้าทั้งสองของเจ้านะเจ้าไม่ควรเหยียดเท้าไปทางที่พระราชาประทับอย่างเด็ดขาด น, นะเวลาไปเข้าเฝ้า เออถ้าไปเฝ้าเนี่ยนะไปเหยียดเท้าไปทางพระราชานี่ดูเหมาะไหมไม่เหมาะเลยนะ